คือความเห็นชอบหนึ่งความด â ริชอบหนึ่งการเจรจาชอบหนึ่งการงานชอบหนึ่งการเลี้ยงชีวิตชอบหนึ่งความพยายามชอบหนึ่งความระลึกชอบหนึ่งความตั้งจิตชอบหนึ่ง ตายัมโคสาปิขเวมะชิมาปะิตาธาตาธาคาเตนะอาภิสัมผูธาจาโุการเนียนากรเนโอตาสมายาอภิญญาญาสัมผูธายานิธานายาสังวัตติ ดูก่อนพิวสู่ท้งลายนี่แลคือปฏิปทาสายกลางนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันเย็นทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงมบเพื่อความรู้ยย่นเพื่อความตรัสรู้ เพระว่าเนปาลเดี๋ยวก่อนตรงนี้ชี้ชัดเลยนะบอกว่าข้อปฏิบัติในพระาศาสนานี้ที่เป็นข้อปฏิบัติสายกลางที่พระ อ, องค์่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งคือด้มีปัญญาจริง ๆ, ๆจึงจะเห็นข้อปฏิบัติสายกลางนี้ถ้าพระ อ, องค์ไม่ได้สั่งสมบุญบารมีมาจริงๆพระ อ, องค์จะไม่เห็นข้อปฏิบัติสายกลางนี้ข้อปฏิบัติสายกลางอันนี้ก็คืออารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แป อริยมรรคประกอบไปด้วยองคศานี้เรียกว่าเป็นปฏิปทาสายกลางถ้าสังเกตดูจากบาลีมีคําว่าอะยะเมวะอริโยเนี่ยนะถ้าแปลาตามศัพท์จริงๆเนี่ยบอกว่าเท่านั้นอะยะเมวะเนี่ยนะบอกเท่านั้นไม่มีทางอื่นปฏิเสธเลยไม่ยี่ยมอื่นไม่มีอีกแล้วต้องประกอบด้วยองคศาเท่านั้นจึงจะปรัสรู้ได้ถ้าขาดองคใดองค์หนึ่งไปปรัสรู้ไม่ได้ อนะนี่พูดแบบตามปกตินะไม่ได้พูดแบบซับซ้อนระดับสูงแบบพูดแบบธรรมดาจริงๆเลยว่าต้องประกอบด้วยองต์8เท่านั้นถ้าไม่เป็นไปตามองค์ตการปรสรถนมีไม่ได้ ก็องตร์ในตอ น, น, นแม้กระทั่งตอนตอนนี้ที่ปร์ตรงนี้นะกับตอนดับขันไปนิทานก็ตร์ว่ามักมีองแตกมีในธรรมวินยัยใดสมมนาทั้งหลายหรือพระอริยะบุคคลทั้งหลายก็มีอยู่ในธรรมวินัยนั้นถ้ามีมักมีองแตกก็แสดงว่ามีพระอริยะถ้าไม่มีมักมีองแตกก็ไม่มีพระอริยะเนี่ยนะ ทนคำว่าอายะมีวะตัวนั้นบอกว่านั้นแหละตางนั้นนั้นตัวนี้บอกจริงๆต้องแปลว่าเท่านั้นปฏิเสธเรื่างอื่นไม่มีจริงๆรงองแตกนั้นคืออะไรบ้างหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยาสัจสี่ประการคือความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขานิโรธคามิห น, น, น, น, นีปฏิปทา สองความลำริชอบคืออะไรสัมมาสังกัปปะสามอย่างหนึ่งเนคขมะสังกตะสองอภยาปาธาสังกตะสามอวิหิงสาสังกัปะแล้วก็เจรจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริตสี่ประการประพฤต์วจีสุจริตสี่ประการเนี่ยนะเว้นจากตารยัติทุจริตการงานชอบคือเว้นจากการยัตทุจริตสามประพฤติการยัตสุจริตสาม การเลี้ยงชีวิตชอบคือเว้นจากกายยอดทุจริตสามวจีทุจริตสประพฤติอยู่ในอาชีพที่ประกอบด้วยสัมมาแตนสุจริตทางกายกับทางวาจาความพยายามชอบคือสัมมาประธานสี่ประการความละลอีชอบคือสติประธานสี่ประการความตั้งจิตมั่นชอบก็ต้องเป็นไปกับฌานสี่เนี่ยนะก็ถ้าประชุมพร้อมกับองค์แดนี่แหละเรียกว่าข้อปฏิบัติสายกลาง อันนะั้ข้อปฏิบัติสายกลางข้อปฏิบัติอันนี้นี่แหละที่จะเป็นไปเพื่อตรัสรู้เนี่ยนะทำะทำให้เกิดปัญญาเกิดญาณเป็นไปเพื่อบรรลุมรรผลและนิพพานถ้าไม่ครบองค์เหล่านี้นะไม่สามารถตรัสรู้ได้หรอกเพราะว่าทางนี้มีเท่านี้จริงๆเนี่ยนะมรรมีออนแปดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าจะศึกษาและปฏิบัติธรรมขอให้ถือเอามรรมีองนแปเป็นหลัก นะแต่ทีนี้มักมีองแต่ก็สัมมาทิฏฐิก็อริยสัจสี่สัมมาสังกัปปาก็กุศลสังกัปปสามสัมมาวาจาก็คือว่าจีสุจริสี่สัมมากรรมตะกายสุดจริสามสัมมาชีวก็กายและว่าจีสุจริสัมมาวายมะก็คือสัมมาประธานสี่สัมมาสติคือสติประธานสสัมมาสมาธิคือฌานสี่ทีนี้เนี่ยคือข้อปฏิบัติสายกลางทีนี้มาขับเน้นอยู่มักมีองค์เดียว ที่เป็นข้อปฏิบัติเป็นหลักคือตัวสัมมาทิฏฐิอย่างที่กล่าวตอนแรกว่าสัมมาทิฏฐิรู้อะไรรู้อริยสัจ ส, สี่ก็มาดูว่าสิ่งที่โพงตรัสรู้เนี่ยที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าคือตรัสรู้อริยสัจ ส, สี่กล่าวพร้อมกันอีทังโคปานาผิดเขวทุขังอริยาสัจจัง ชาติปีทุขาชาราปีทุขามรณะปีทุขังโสตป u รุเทวทุขทมนาสุปายาสาปิตุขาอาติโยหิสัมตโยโคทุโคปิโยหิวิตตโยโคทุโคยามเตียชังนลาธาติตํมเตี่ยตุขัง สังขิตเตนปัญโจปาทานาคันธาทุข้าดูก่อนเพียสุดทั้งลหลายข้อนี้แลเป็นทุกขาริยสัตว์คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุข ก, กทข์ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบ ด, ด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพราดพลาจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกททข์อิทังโคปานาทิขเวทุกขาสมุทยอาริยสัจัง อย่ยังตันหาโตโนภาวิตานานที่ราคาสหาคาตาตัตตลาตตราตตราพินันทิเนศเสยอาทิทังตามตันหาภาวาตันหาเวภวะตันหาดูก่อนเพศทั้ทงลหาหกเขนี้แลเป็นทุกขสมุทยัยอริยศาสตร์ คือตัณหาอันทาให้เกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีความปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตันหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา เยธังโคปนาภิกเขเวทุาเนโรธอริยาสัจังโยตัสายวาตันหายาอเซสาวิราคาเนโรธจาโคปะตินิสัโคโมติอนาลาโยดูก่อนภิกษุทางลาย ข้อนี้แหละเป็นทุกขานิโรธ อ, อริยศัสตร์คือปันหานั้นแหละดับด้วยการสำรอกโดยไม่มีส่วนหลือการสละกการสละคืนการปล่อยา ย, ายการไม่ผัวพัน ททางขอปานผิขเวทุกนิโรธคาไม่ในปฏิปทาอริยสัจังอยะเมวอริโยอาทังิโกมาโคสศยทิฏังสมมาทิฏฐิสมมาสังกป สัมมาวาจาสัมมากัมมนโตสัมมาอาชีวลสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิดูกนเพียกโสทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกข์ขนิโรธาขามนิปฏิปทาอริยสัตว์ได้แก่อริยมรรมี อ, องค์แปด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 โตเพออานาโนสุตเตสุธานเมสุจากุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิเวชะอุทิอาโลโกอุทาปาทิโูก่อนภิกษุทั้าาทงลหลายดวงตาญาปัญญาเวชชา แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านีโทขาดาริยศยาสตร์เดี๋ยวกันถ้าหากว่าดูให้ดีนะที่ที่กล่าวว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะในมัสมีองศาสัมมาทิฏฐิรู้อะไรสลบา ร, รุอริยศาสตร์อริยศาสตร์คืออะไรก็คือชาติทุก์ จริงๆชาติทุกเนี่ยเป็นคาาํ า, า, า, า ท, ที่ใช้สาธารณะกับมูสัตว์ใช่ไหมถ้าว่าโดยพิสดารเนี่ยชาติทุกเนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้สาธารณะกับมูสัตว์ว่ามูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เราลูนตาเห็นทั้งหมดเนี่ยนะหรือตัวเองก็ตามเนี่ยคือชาติทุกชราพยาธิมารณะโสกปริเทวทุกโทมานัตอุปา ย, ยาตวิปโยคทุกบ้างสัมปโยคทุกบ้างปรารถนาไม่สมวังไม่สมหวังบ้างเตทั้งนั้นทั้งนี้ก็คืออะไรขันห้า อันนะ่ะถ้าขันถ้าสูรบอกขันห้าถ้ายตนาสูรบอกว่าอายตนาหกคือตาหูจมกูกเล่นกายใจคือตัวทุกนั่นก็แสดงว่าก้อนทุกนั่งอยู่ตรงนี้นี่หอบทุกมาตั้งไกลเลยนะ ก็แสดงว่าค th enfin so, ือกองทุกจริงๆก็มาเพื่อเขารู้ว่าตรงนี้เขาดับทุกได้เลยมาเหมือนนะพระองค์แสดงธรรมที่นี่ดับก้อนทุกตัวนี้ได้เลยมาเนี่ยนะก็เลยมาแสวงหาจะหาความดับทุกเหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้เขาฟังอริยสัจประกาศแล้วเขาดับทุกได้มันก้อนทุกเนี่ยมาจากเมืองใครเลยนะมาถึงตรงตอนนี้เลยนะก็แสดงว่าหอบกองทุกมาใช่ไหมทีนี้กองทุกเหล่านี้เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งอะไรอย่างที่ว่านั้ลืมตาพับกระตัญหาสาม นีนะถึงทุกยิงแต่ว่าลืมตาตั๊บตันหาสามตามมาเลยนะวันนี้มีรถขนของอะไรแล้วก็ใช้โซ่รัดอยู่ผู้การก็บอกหมายตันหานี่มันทั้แมันแรงรุนแรงกว่าโซ่ที่มันไข่ตัวเนี่นะไม่ให้ของมันขยับขยวดจริง ตันหาที่ลืมตาแล้วนะมันแผ่ขายโซ่ไปรัดไว้แน่นหมดเลยทวารตาก็รัดแน่นทวารหูก็รัดแน่นทวารจมูกก็รัดแน่นทวารลิ้นกัตันหาสามขันเหมือนโซ่รัดแน่นหมดเลยทวารลิ้นทวารกายทวารใจที่เรานึกคิดแต่เราทั้งหลายตอนนี้บอกก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ตอนนี้ฟังทำไม่โรคเนี่ยนะนะอาศัยกุญแจพระพุทธเจ้าไขาเอาไว้ตลอดเนี่ยนะนะมันก็เลยเกลียวมันก็เลยผ่อนลงไปเยอะเนี่ยนะนะแต่ถ้าธรรมดาเลยนะ เนี่ยธรรมดาที่เห็นเนเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังอริยสัจจะทำและไม่ได้สาธยายหนต้นหาตุกัดสูตรไม่ใช่ของเธอทั้งหลายอวหิดีๆเลยเนี่ยนะโอ้จะสําคัญว่าเป็นเราขนาดไหนแตโดยที่สุดแม้กระทั่งพูดทรมากก็ลงทำมากของเราเนี่ยมันยึดเอาขนาดนั้นนะยึดจริงๆเลยในความยึดถือว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราด้วยอํานาจของตันหาตันตัวตัวต้นเหตุของความทุกข์ทั้งมวลก็คือตัวตันหาทุกข์ทั้งมวลเนี่ยตันหาเนี่ยแหละเป็นตัวสร้างเป็นตัวสร้าง ทีนี้เมื่อปัญหาเป็นตัวสร้างถ้าจะดับทุกข์จริงๆก็ต้องดับตัญหาถ้าคลายตัญหาโดยไม่มีส่วนเรือทุกเหล่านั้นดับทีนี้ถ้าจะดับทุกข์เนี่ยทำยังไงก็อย่างที่กล่าวว่ามรตแบบเนี่ยเป็นตัวที่เข้าไปปริญญาในทุกตัวที่เข้าไปละสมุทัยมีนิโรธเป็นอารมณ์เมื่อทํากิจนี้ได้เมื่อไร่สําเร็จเมื่อไร่นั่นแหละเป็น เป็นการแทงตลอดอริยสัตว์เมื่อแทงตลอดอริยสัตว์ได้แล้วก็เรียกว่าบรรลุใช่ไหยก็เรียกว่าผู้บรรลุธรรมผู้เห็นธรรมคือเห็นนิโรธสัจจะถือเอานิโรธสัจจะเป็นประมาณนะของเราเห็นความแก่ความเกิดความเจ็บความตายแบบที่เห็นเห็นนี้ยังไม่ถือว่าเห็นอริยสัตว์ เพราะยังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงเรียกว่าเห็นอริยสัจเนี่ยนะแต่เมื่อเห็นนิพพานเช่นถ้าเห็นว่าขันต้องขันทานิโรจนนั่นนะท่านทุกทุกทานิโรธถ้าเมื่ อ, อยังถึงทุกทานิโรธเป็นต้นหรือจากขุนิโรธโสตานิโรธเมื่ อ, อยังถึงนิโรธสัจจะอย่างนั้นแะ่ะจึงจะชื่อว่า เห็นธรรมคือเห็นอริยสัจธรรมดั้นการเห็นธรรมนี่คือเห็นอริยสัตนั่นเองทีนี้พระ อ, องค์ก็มากล่าวเป็นเรียกว่าสัจญานกตตาญานเอ่อขอไยสัจญานกิจญานกตตาญานในทุกขาริ ย, ยสัจสัจญานกิจญานกตตาญานในสมุทยัทยสัจสัจญานกิจญานกตตาญานในนิโรสั จ, จและอีก สัจญานกิจญานกะตะยานในในในมรรคสัตต์หรือโดยทุกขานิโรธาคาไม่หนีปฏิปทาอริยสัตย์ท่านพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสัจญานกิจญานกะตะยานในอริยสัตย์สในอริยสัตต์สี่นั้งความที่พระองค์เนี่ยมีจักสุปัญญาวิชาแสงสว่างดังกล่าวมาทั้งหมดนี่แหละเรียกว่าพระองค์ประสรู้อริยสัตต์ ทบทวนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งความที่พระองค์นี้มีสัจญานกิจจญานกตตาญานในทุกขอริยสัตว์พระองค์มีสัจญานกิจจญานกตตาญานในสมุทัยอริยสัตว์พระองค์มีสัจญานกิจญานกตตาญานในทุกขนิโรธอริยสัตว์พระองค์มีสัจจญานกิจญานกตตาญานในทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัตว์ เมื่อพระองค์กลาวสุอย่างนี้แล้วเป็นยังไงมาดูในหน้าหน้ายี่สิบสี่เนี่ยนะเพราะว่าเวลาไม่ค่อยอำนวยนะจะเริ่มไม่ค่อยเห็นนะอนามาสวดพร้อมกันว่าเมื่อพระองค์เนี่ย เ, เรียกว่ารู้ปริวะสามในอริยสัจสี่ใช่ไหมโดยอาการสิบสองเนี่ยพระองค์จึงกล่าวอย่างงี้มาสรุปว่าเสดนะถ้าเข้าใจธรรมศาสัจจยานกิจยานกตายานในอริยสัจสี่ก็จะเข้าใจบทนี้ว่ายาวกีวันจเมพีพขเเว ยเมสจัตโศอัริยาสัจโศเหวันติปริวัตัมทวาสหศกาลยทาภูตัณยานัธสนังนาสวิสุตอโหเสเนวตาวาหังภิกขเวสพเทวเกลเกสมาระเกสะพมมเก สาสา ม, มนาบรัมมนยาตาชายาสเทวามนมสายาโุตารังสัมมาสัมโพเทิงอะภิสัมพุทธัญจัญญาเสงดูก่อนที่โสทั้งหลายตานยาอันรู้เห็นตามเป็นจริงของเราในอริยสัจ ส, สีนี้ มีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้ยังไม่หมดจดดีและแห้วเพียงใด ดูความิกสู่ทั้งลหลายเรายังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นผู้ต ร, รัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาร โ, โลกพรมโลกในายโมสัตรพร้อมทั้งสมมาพพร้อมเหวดาและมนุษย์เพียงนันยะาเตจากโคเพียพิฆเวอิเมสุ จัตุสอาเยสัจสเอวันติตรีวัตังบวาทสหาตารังยาธาตัยาณาสนาสุวสุังอโอาธาหังภิกขเวสเทวเตเลเสมาระเตสบรัมมเต สาสสัมนาบรัมณิยาปัญญาสเดวามโนสายญาอนุตารัมมาสัมโพเทียงอภิสัมพุทธโตปัญญายาสิงดูก่อนทิ่โศทั้งหลายก็เมื่อใดเล่ ปัญญาอันรู้เห็นตามคันจริงของเราในอริยสัจสีนี้มีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วดูก่อนที่สุ่ทั้งลหลายเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สั ม, มาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก พรามทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในโมวาพรามทั้งสมมาพรามทเทวดาและมนุษย์อย่านั้นจะปณะเมัสนังอุทาปาสิอากุปปามเมวิโมติอายะมันติมาชาตินาเทฆาเนปุน า, า, นนาภาว อันี่งปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแก่เราว่าความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดพบใหม่ไม่มีต่อไปอันนี้ก็เนื้อหาใจความสรุปธรรมจักรนี้จบเท่านี้นะตัวเนื้อหาสาระของธรรมจักรนี้จบอยู่เท่านี้ว่าผงเนี่ย ที่เป็นถ้าหากว่าพราะองค์ไม่มีความรู้ในอริยสัจส 4, ี่โดยรอบสาอาการสิบสองรอบสามคือหนึ่งสัจยานรอบแรกนะสัจจะรอบที่สองกิจยานรอบที่สาม กตตาานเนี่ยนะอริยสัจ ส, สีมีรอบสามโดยอาการ12บถ้าไม่รู้อย่างนี้จะไม่ปฏิญาณเลยว่าเป็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ตรัสรู้จริงแต่เนื่องจากตรัสรู้อย่างนี้นี่แหละจึงปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นต้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่พระ อ, องค์แสดงธรรมเนี่ยดวงตาเห็นธรรมก็ได้เกิดขึ้นแก่พระัญญาโกณนะทัญญาอ่ะนะอิธามะโวจ่าภะขวะ อาตามนาปัญจวัคคียาเพโคภะวะตุภาษิตงอภินันทงลีมาสเมญจปนวยากรณสมิงพันยมาน อายะสัมมโตโกนทันยาสเวราชังเวตมะลันปัมมะจากงงอุทาตาเทยังเกณฑเจสมุทยหธรรมสัพพันธังนิโรตธามาณเต ก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาเจ้าตราดวายากรณฐาสิทนี้อยู่ดวงตาเห็นรรมปราศจาทธุลี ราสจับมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกนทัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งทั้งมวลลวนมีความดับไปเป็นธรรมดาทีนี้มาดูว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะเทวดาก็ได้ประกาศต่าวร้องถึงบังถึงพรมโลกนะมาดูใน หน้ายี่สิบหกเียงหน้าอยั ญ, ญจะนเนี่ยจะได้กล่าวเนื้อหาโดยสรุปก่อนเพราะว่าเวลาเราจํากัดเนี่ยนะเดี๋ยวจะมืดมองไม่เห็นอันนะเอาสรุปป็นเนื้อหาที่เราพอจะรู้ได้ก่อนอยั ญ, ญจะทะสาสสสหสีเลกขาโตสังกรรมัมติสัมปกัมติสัมปเวท อาปมาโนจโอลารอภาสโลก ต, ตาตรหโหสอาิกรรมเนวเทวานังเทวานุภาวังทั้งเหมือนโลกธาตุได้วันไหวสะเทือนสถทานทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ปรากฏแล้วในโลก เรื่องเทวานุภาพของเทวดาและมนุษย์อาทาคโคพะขวาอุทานังอุทาเนเซอันยาสวะตาเพกุทันโยอันยาสีวะตะเพกุทันโยลามดาบนั้นเพราะผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานว่า ท่านผู้จริญกลมธัญญาได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญกลมธัญญะได้รู้แล้วหนอนนนะเ อ, อติหิทังอายะสมมตุกลมธัญญสาอัญญากลมธัญโยตเววนามังอโหสิเเพระเหตุนั้นคำว่าอัญญากลมธัญญะ จึงได้เป็นชื่อของท่านพระโกนทัญญะด้วยประการชนี้เลสาธุสาธุสาธุหลังจากจบธรรมจัก พระธรรมไตรก็ได้เกิดขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นต่อไปเราทั้งหลายก็ร่วมประทักศิลเพื่อบูชาโดยด้วยการสวดมนต์แปลอิติปิโสแปลเนี่นะเพื่อจะบูชาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระธรรมจักรที่พ ร, ระองค์ตรัสไว้ดีแล้วบูชาโมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่บรรลุ เพราะว่าพรหมสิบแปดโกดบันลุพระอัญญาโกนธัญะก็บันลุมีผู้บันลุพันดาก็ร่วมการประทักษินเป็นพุทธบูชาเนี่ยนสันเสรินธรรมบูชาสังฆบูชาสันเสรินคุณพระตนะตรายด้วยการบูชาไปจุดเทียนกันก่อนแล้วก็ข้อยประทักษินก็ได้